พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส2องชื่อมัชิมนิกายหมูลปัญ น, นาตเป็นสุดตันตะปิดกพระสุดตันตะปิดกตั้งแต่เล่มเก้าถึงเล่มสอดที่ย่อมาแล้วรวมสามเล่มเป็นทีฆานิกายคือหมวดหรือพวกแห่งพระสูตรขนาดยาวบัด น, นี้มาถึงหมวดถัดมาคือมัชิมนิกาย คือหมวดหรือพวกแห่งพระสูตรขนาดกลางไม่ยาวหรือไม่สั้นเกินไปถ้าพิจารณาดูตัวเลขหรือจำนวนพระสูตรในทีฆะนิกายกับมัชิมะนิกายเทียบเคียงกันดูแล้วก็พอจะเห็นได้ดังนี้ทีฆะนิกายเล่ม9มี13สูตรเล่ม10บมี10บสูตรเล่ม11มี11สูตรรวมสามเล่มมี34สสูตร ส่วนมัชิมะนิกายมีสามเล่มเช่นกันคือเล่มส2องมีห0สูตรเล่ม13มีห0สบสูตรเล่ม14มีห2สบสูตรรวมสามเล่มมี152สูตรเมื่อเทียบดูความต่างกันจากจำนวนสูตรแล้วก็จะเห็นได้ว่าทีฆานิกายมีสูตรยาวกว่าสูตรในมัชิมะนิกายประมาณห้าเท่ามีข้อที่ควรสังเกต คือพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมานิกายซึ่งแบ่งออกเป็นสามเล่มนั้นมีชื่อเรื่อ ก, กำหนดด้วยคำว่าปัญธาหรือปัญณาสกะคือหมวดห้าสิบเป็นหลักเพราะมีเล่มละประมาณห้าสิบสูตรเกินไปบ้างเล็กน้อยเพียงสองสูตรเฉพาะเล่มสุดท้ายเล่มสิองมัชฌิมานิกายมูลปัญธาคือหมวดห้าสิบเทียบด้วยรากหรือโคนต้นไม้ เล่มสิบสามมัชิมะนิกายมัชิมปัญ น, นาตคือหมวดห้าสิบที่เป็นท่อนกลางเล่มสิบสี่มัชิมนิกายอุปริปัญ น, นาตหมวดห้าสิบที่เป็นยอดหรือเป็นปลายอันหนึ่งพึงทราบไว้ด้วยว่าเพื่อสะดวกแก่การท่องจาหรือกําหนดหมายในปัญ น, นาตดึงหนึ่ ง, ห, งหรือเล่มหนึ่งหนึ่งซึ่งมีห้าสิบสูตรนั้นท่านแบ่งออกเป็นห้าวค วักละสิบสูตรคงมีวักละสิบสองสูตรอยู่วัคเดียวเนี่ยเล่มสิบสหรือเล่มสุดท้ายแห่งมัชชิมะนิกายในทีฆะนิกายเคยย่อให้ก่อนว่าแต่ละเล่มมีสูตรชื่ออะไรใจความว่าอย่างไรบ้างย่อแล้วจึงขยายความภายหลังแต่ในมัชชิมะนิกายซึ่งมีพระสูตรเพิ่มขึ้นห้าเท่าตัวเราต้องเจียดหน้ากระดาษไว้ย่อเล่มต่อไปอีกหลายเล่มจึงของด ไม่นำชื่อพระสูตรย่อๆมากล่าวไว้จะย่อเป็นลำดับไปทีเดียวท่านผู้ประสงค์จะทราบว่าในเล่ม 12, บสองบและ14มีสูตรอะไรบ้างก็อาจเปิดสารบัญดูได้ทั้งนี้เราต้องการให้สามารถย่อพระไตรปิฎกฉบับบาลีให้หมดทั้งส5ห้าเล่มลงในหนึ่งเล่มภาษาไทยนี้ให้ได้